วันนี้ก็เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราแถวพุทธหยุดภารกิจการงานทางโลกทางการท ร, รมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเพื่อให้เราได้มาชำละการกระทาทางกายทางวาจา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 กระทำทางกายทางวาจาและทงใจที่ไม่สะอาที่สกรปรกที่ทำให้เรามีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบายใจกันดังนั้นเพื่อบรรเทาความไม่สบายใจความเศร้าหมองความทุกข์ใจเราจึงต้องมาชําระการกระทา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 เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กันเพราะร่างกายที่สะอาดเสื้อผ้าที่สะอาดทําให้เราสบายทําให้เรามีความสุขมั่นเองการกระทําของเราก็เหมือนกันการกระทําที่ไม่สะอาดที่เรียกว่าอากุศลทําแล้วก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาวันพระท่านจึงเรียกว่าวันชําระกายวาจาใจให้สะอาด ำละการกระทาที่เป็นอกุศลทั้งหลายด้วยการกระทาที่เป็นกุศลการกระทาทางกายที่เป็นอกุศลนี้ก็มีอยู่3คือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามดฆ่ามแมลงนี่ก็เรียกว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์การลักทรัพย์เอาของของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุ ญ, ญาต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 ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาความเศร้าหมองก็จะหายไปส่วนการกระทาทางวาจาก็มีอยู่สี่คือหนึ่งการพูดปดสองการพูดคำหยาบสามการพูดเพ้อเจ้อสี่การพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดแปลว่า การพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามโอเียุยงให้คนทะเลาะกันเรียกว่าเป็นการพูดส่อเสียดการพูดสี่ประการนี้พูดไปแล้วทาให้ใจไม่สบายทาให้ใจเศร้าหมองก็ถ้าอยากจะให้ใจสบายไม่เศร้าหมองก็มาละเว้นการกับการพูดที่ไม่ดีทั้งสี่ประการนี้ คือให้พูดความจริงอย่าพูดปดสองให้พูดคำที่สุภาพอย่าพูดคำหยาบพลุลสวาสแล้วก็ให้พูดสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์เช่นพูดเรื่องวิชาความรู้ต่างๆก า, า, ารมีวิชาความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์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 ตกมาลงนรกพอเกิดความอยากก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เสกก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราโลกเราอยากได้อะไรนี่ก็ถ้าได้มาก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์อยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็มีความสุขเหมือนได้ไปเที่ยวไม่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ะ พอกลับมาถึงบ้านก็เหมือนกระตกลงมาจากสวรรค์แล้วก็อยากจะไปสวรรค์ใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่ถ้าเกิดไปไม่ได้เงินหมดไม่เงินไม่พอใช้หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นก็จะอยู่ในนรกแทนอยากจะไปก็ไปไม่ได้อยู่บ้านก็หงุดหงิดลำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาถ้าอยู่นานๆก็จะซึมเศร้าหนื่อ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 มีของเก่ายังใช้ได้อยู่แล้วอยากได้ของใหม่โดยไม่มีเหตุมีผลได้เพราะอยากได้นี่เอาเงินที่จะไปซื้อ i อ h ฟนเจนี้ไปทำบุญจะได้ประโยชน์กว่าซื้อ i p h o n เจก็ไปซื้อความทุกข์เพิ่มขึ้นซื้อภพชาติเพิ่มขึ้นเพราะมไปซื้อความอยากให้มีมากขึ้นถ้าใชะเหตุใช้ผลว่าของเก่าก็ยังดน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 ควาเหตุผลก็คือว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้สิทตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าใช้งานได้หรือไม่พอหรือไม่พอเพียงหรื อ, อยังถ้าใช้ได้พอเพียงก็ยังไม่ต้องซื้ออถ้าจะซื้อรอให้มันเสียก่อนอซ่อมไม่ได้เอก็ค่อยซื้อใหม่ถ้าซื้อด้วยเหตุด้วยผลนี่มันก็จะทําให้เราลดความโลกความอยากลงได้ะ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 เดี๋ยพรุ่นี้ก็มาดูชุดใหม่ก็จะเห็นอ้อเห็นแล้วก็สุก <c oughs> เวลาเบื่อชุดเก่าก็มาดูชุดใหม่แต่อย่าไปซื้อเห็นก็พอ <c oughs> พอซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นชุดใหม่พอเป็นชุดเก่าแล้วมันก็เบือ่อมันก็ไม่อยากจะได้แล้วจะให้มันอยู่ที่ร้านดีกว่ามันจะได้อยากไปเรื่อยๆอยากแบบไม่เสียเงินดีกว่าแบบอยากแบบเสียเงินเสียเงินแล้วก็ต้องเสียอยู่เรื่อยๆ นะเงินทองก็ไม่แน่นอนเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็กยุ่งอลวุ่นวายแล้วสิเงินทองไม่พอใช้ขึ้นมาก็เป็นความทุกข์อีกแล้วเนี่ยเรากำลังหาความทุกข์กันถ้าเราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราเห็นแล้วาเป็นความทุกข์เราก็จะลดความโลภความอยากได้เงินทองอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้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 พระพุทธเจ้าผ้านัตาสาวกนีท่านรู้ว่าราบยศจละเสนความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็กลายเป็นความทุกข์ไปมีมีเจริญมีเสื่อมแล้วก็มันก็เป็นไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง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 สร้างกำลังสู้กับมันวิธีที่เราจะสู้กับกิเลสนี้เราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาเราทำใจให้สงบเราก็จะหยุดกิเลสได้นะวิธีที่จะหยุดกิเลสก็ให้หยุดความคิดอย่าคิดคิดแล้วมันก็จะทำให้เกิดความอยากคิดถึงโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็อยากจะได้ เมื่อสองวันก่อนไม่เคยคิดเพราะมันยังไม่มีออกมาก็ไม่มีความอยากได้พอรู้ว่าอยากได้ก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ตอนนี้อยากได้แล้วถ้าอยากได้แล้วรู้ว่าได้แน่ๆทีนี้ก็อยากได้นะวิธีที่ไม่อยากได้ก็อย่าไปคิดถึงมันให้คิดถึงพุทโธเจ็ดไปแทนพุทโธเจ็ดพุทโธเ <laughs> อาพุทโธเจ็ด่าหยุดไอโฟนเจ็ด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 เราเลยไม่สามารถหยุดความคิดที่อยากจะได้สิ่งต่างๆได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้เราก็จะต้องมีพุโทโธกันมาหัดท่องพุโทโธพุโทโธกันถ้าเราหัดท่องไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะชินมันจะมันจะชำนาญเหมือนกับหัดร้องเพลงเนี่ย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 มาฝึกท่องพุโทโธกันนะพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะสวดเอติปิโสไปก็ได้ขอให้ใจเราอยู่กับเรื่องที่ไม่มีความโลภไม่ได้สร้างความโลภสร้างความอยากก็ใช้ได้เหมือนกันสวดมนต์ไปก็ได้ออติปิโสรอรหังสัมมาสวาัสดโตไปพุธทธังสรนังกะชามิไป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 เราก็ยังคิดว่ามันยังทุกน้อยกว่าการที่ไม่ได้มันใช่ไเวลาอยากแล้วไม่ได้มันนี่มันทุกกว่าตอนอย่างน้อยได้มันมาแล้วมันยังสุขแล้วเวลามันไม่ได้ครางต่อไปก็ช่างหัวมันแต่ตอนนี้ยังได้อยู่ก็เอามันไว้ก่อนแต่ไม่แนะ่ต่อไปมันต้องเจอสักวันหนึ่งที่เอาไม่ได้เนี่ยตอนเวลาแก่เวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันจะไม่ทำตามความอยากไม่ได้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 ก็หมดไปก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเงินทองหมดนี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันเวลามีเกียรติพอไม่มีก็จะอยากจะดำดินไปไม่อยากจะออกไปข้างนอกไปเจอหน้าเจอตาใคราะอับอายขายหน้าเ็มีชื่อมีเสียงเคยมีอำนาจวาสนาแล้ววันดีคืนดีก็หมดไปอย่างนี้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 แล้วเราก็จะได้มีกำลังทำตามที่พระเจ้าสอนคืออย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่ามานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็มาตัดความโลภทุกครั้งที่อยากได้อะไรก็ตัดไป อยากได้รูปเสียงกิ่นลยก็ตัดไปอยากได้ลาบยศสารเสญก็ตัดไปถ้าจะมีก็มีเท่าที่จำเป็นมีพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดจะไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นทุกวันนี้ที่มีปัญหาก็เพราะกุศลทั้งสิบประการนี้ไปทาผิดทางกายก็มีปัญหา เดี๋ยว ก, ก็ตามมาเราจับเราเข้าคุกเข้าตารางไปไปช่อโกงเห็นไหมอ่สนทินี่ติดคุกยี่สิบปีเปิดปบอลบหลักทรัพย์ใช่ไหมไปช่อโกงเงินทองนี่ก็เตยารักทรัพย์เนี่ยอกุศลทางวาทางกายเนี่ยนําไปสู่ความทุกข์ไหมนำไปสู่การติดคุกติดตารางไหม ใวการจะติดคุกติดตารางนี้ก็ต้องเครียดกับการไปต่อสู้คดีเป็นกี่ปีได้กันะไม่มีความสุขเลยไปทําทําไมเงินไม่ใช่ของเราอย่าอาไปเอามาดีกว่าที้มันโลภไงมันอยากจะได้อยากจะได้ข้าวของอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่อยากจะไปเที่ยวอยากจะอมีของหรูหรือหลาหลามันก็ต้องใช้เงินทอง จะลดกันละยี่สิบล้านไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนากันเี่งินก็ต้องใช้เงินใช้ทองกันเมื่อเงินหาเองไม่ได้อะก็หาของคนอื่นมาใช้ก่อนเอยืมของคนอื่นมาก่อนโดยที่ไม่ไปบอกเขาพอเขารู้ขเขาก็ไม่ยอมไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> ฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลกันนี่แหละคือเลือกว่าเรื่อง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์นี้มันก็มาจากอากุศลนี่แหละค่าเขาก็ต้องัวก็จับไปขังคุกขังตารางประหารชีวิตช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นไปประผิดผิดประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเดี๋ยวก็ถูกเขาตามฆ่ากันมาชาระกันนะ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 นี่เป็นพุทสว่านี่ก็เป็นเหมือนกับขยะดีๆขยะทางวาจาอวาจาสุภาพนี่ก็เป็นเหมือนกับอของสวยของงามเอใครได้ยินได้ฟังวาจาที่สุภาพก็จะชอบฟังแล้วสบายใจสบายหูพอฟังวาจาอยากใครก็อตกกระปกตกกระปบขูว่ออยากจะฟัง แล้วพูดจะพูดกับพูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์คนฟังฟังแล้วก็อยากจะฟังถ้าไปฟังเรื่องนินทาการเลดา่าคนนั้นหวาคนนี้บางทีฟังแล้วก็หดหู่ใจลำคาญใจไม่อยากจะฟังแล้วทําให้คําพูดของคนพูดนั้นมันไม่มีน้ําหนักไม่มีไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีใครอยากจะฟังคุยฟังคนพูดอย่างนี้เสียเวลาไปฟังคนพูดที่มีประโยชน์ดีกว่า เช่นมาฟังธรรมะนี่ฮะนั่งฟังทีวันละสองชั่วโมงฟังกันได้ฟังแล้วมันได้ไปได้ทำให้ใจมีความสุขได้เอาไปแก้ปัญหาต่างๆได้เห็นพูดธรรมะดีกว่าพูดสิ่งที่มีคุณประโยชน์แล้วเราจะเป็นคนที่มีคนอยากจะฟัง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 เพราพยายามพูดแต่เรื่องที่ดีพูดแต่เรื่องดีของคนอื่นการที่เราจะพูดเรื่องของความดีของคนอื่นได้เราก็ต้องอต้องศึกษาว่าเขามีอะไรดีบ้างอย่าไปศึกษาแต่เรื่องที่ไม่ดีของเขาเราก็มาทําละอกุศลทางใจความโลภความโกรธความหลง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 ไม่ใช่ว่าพอไม่มีไม่มีก็อยากจะทําบุญก็ไปหาเงินมาเพื่อมาทําบุญอันนี้ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นอันนั้นผิดจุดประสงค์ของการทําบุญทําทานทําบุญทําทานเพื่อสกัดการใช้เงินที่จะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกให้ไปทําความอยากต่างๆเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดดีๆนี่เองอย่าไปใช้เงินแบบนั้น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 ร่างกายและเสื้ออาหารให้กับจิตใจซื้ออาหารหารให้กับร่างกายก็เนี้ยซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเสื้อผ้านี่เรียกว่าซื้อให้กับร่างกายซื้ออาหารให้กับใจก็เอาไปทํำบุญแต่อย่าไปซื้อยาเสพติดทั้งทางร่างกายและทางจิตใจคือทางร่างกายก็ซื้อยาเสพติดจุรายาเมาต่างๆไม่เป็นประโยชน์ไม่จําเป็นจะต้องเสพของพวกนี้อันใดก็อย่าไปซื้อ ไปซื้อความสุขทางตาหูจํามูกล่้นกายอก็เป็นเหมือนการซื้อยาเสพติดให้กับใจไวทเสพเนี่ยถ้าอยากจะโลภอยากจะได้อยากจะทําก็ให้มาโลภ ก, กับการทําบุญทําทานโลภ ก, กับการรักษาศีลหรือเพื่อมาชําระอกุศลทางกายทางวาจาเอแล้วก็มาโลภจากอยากได้นั่งสมาธิอย่างฟังเทศฟังธรรมตรงเนี้ยโลภแบบนี้ดี โลภไปมากทลาญ ย, ยิ่งดีเพราะยิ่งจะทําให้ความทุกข์หมดไปนั่นเองความโลภแบบนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์แต่เป็นการทําให้เกิดความสุขมากขึ้นไปดัง น, นั้นเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเราถึงจะได้รู้ว่าเราควรจะโลภอะไรไม่ควรจะโลภอะไรเราไม่ควรโลภในลาบยศสระเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสเราควรจะโลภในทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะได้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 ยะถาวาริวะหาปุราปิริโุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังป um ัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาญันโทปนาระโสยะถามานิโชติ อราโสยะธาสภิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาธนศสีฤิสะนิจังวุฒาปจายินูยะตาโรธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขัง อาลาคใครมีอยากใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้นะือใครมาที่หลังยังไม่ได้ถวายข้าวของอยากข้าเข้ามาถวายก็เข้ามาได้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 อ่าใชิพอดีวันนั้นได้เ็สของหลวงตามหาบาุต <c oughs> เขามีบทควาเรื่องการจิตผ่องใสเป็นอวิชฌาฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใ จ, าใจใชทีนะก็คือถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะผ่องใสสะอาดขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นจนสว่างสวัยแต่ความสว่างสวัยของจิตนั้น ยังไม่ได้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นความสว่างสวายเนี่ยเป็นสว่างสวายของอวิชชาตัวอวิชชานี้ถ้าเข้าไปถึงเหมือนแล้วมันจะ ส, ส, ว, สว่างสวายมากสว่างสวยนี่เป็นนิมิตที่มว่าเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางใจเหมือนมันสว่างสวายจ้าอยู่ในใจไอ้ตัวนั้นถ้าใครไม่รู้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 ก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่เพราะของจริงมันจะไม่มีวันเสื่อมของที่ของเสื่อมนี่ยังถือว่าไม่ใช่เป็นของจริง mm hmm. ของยังของอันใดที่ยังเสื่อมนี่ก็ถือว่ายังเป็นไตลักอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่ mm hmm. ความผ่องใสความสว่างสวายนี่มันก็ไม่ได้สว่างสวายตลอดเวลา mm hmm. เดี๋ยวมันก็มันก็เศร้าหมองลงมาได้ะฉะนั mm ้น hmm.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 หลงอยู่กับแสงสว่างนี่หลงคิดว่าความสว่างสวายจิตที่เป็นประพัดสอนนี่เขาเรียกจิตประพัดสอนนี่เวลาปฏิบัติกรรมจัดกิเลสไปเรื่อยๆพอกิเลสส่วนหยาบหายไปหายไปเหลือแต่ตัวละเอียดนี่จิตก็จะสว่างสวายขึ้นมาแล้วก็เลยไปคิดว่าความสว่างสวายนี้เป็นนิพพานแต่มันยังไม่เที่ยงสิ่งความสว่างสวายนี้มันยังไม่เที่ยง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 การจัดการยึดติดกับสางสว่างความสว่างสวายของจิตดวงนี้ว่ามันยังไม่ใช่มันไม่ใช่ความบริสุทธิ์มันยังเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นอกุศลอยู่เป็นนวิชายังเป็นความหลงหลงติดอยู่กับความสว่างสวายของจิตถ้าปล่อยวางความสว่างสวายได้นี่มันก็จะ มันก็จะแตกหายไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลือแต่ความว่างออลองไปดูว่าแล้วกันจะเป็นยังไงก็แลตัวตัวนี้มันจะไม่มีเปลี่ยนไม่มีดับไม่มีเสื่อมไม่มีอะไรมันจะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับตะเกียงที่มีเป้ไฟเนี่ยกระจกที่ครอบตะเกียงนี้ถ้าใช้ไปมันก็จะถูกควันมันก็จะมัว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 ยังก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่ยังยังต้องทำงานยังต้องรักษาความอมันก็เป็นอนิจจังของอนิดที่เป็นอนิจจ์มันก็ต้องเป็นทุกข์ก็ต้องคอยมาเช็ดันอยู่เรื่อยๆดงนั้นวิธีที่ทำให้ไม่ต้องเช็ดกระจกนี้ก็ตีกระจกให้มันแตกไปเลยพอไม่มีกระจกนี้ไม่ต้องเช็ดใช่ไหมมันก็จะสายแจ๋วอยู่ตลอดเวลาอ เพียแต่ว่ามันกันลมไม่ได้เท่นั้นเแต่พูดถึงความสายแจว๋วอะไรจะมาสายแจ๋วยิ่งกว่าความว่างอะกระจกนี่มันยังมันยังมัวได้เหมือนแว่นตาเนี่ยถ้าเอาแว่นออกดูเสร็จเราใส่แต่กรอบดูไม่ต้องเช็ดแว่ น, นสายตลอดเวลาเลยติดติดองูคนเหลานี้รับรู้ได้ทีละขน จะรับรู้ความคิดมันจะคิดได้แต่ละเรื่องไงจิตแต่เรื่องมันจะคิดสามสี่เรื่องพร้อมๆกันไม่ได้ถ้ามันอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงการบวกเล็บบวกรบคูณหารทําบัญชีไม่ได้หมายความคิดนะ่ะอยู่ในใจรักตัวจิตไม่ได้อยู่ในใจรักจิตมันไม่มีตายมันจิตมันอยู่มันรู้อยู่ตลอดเวลา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 ตอนวิจิตนี่ก็หมายถึงอาการในจิ ต, จตรู้นั่นแหละก็ตัวเดียวกันนั่นแหละไอ้ตัวนี้ไม่ดับไงตัวรู้นี้เปลี่ยนไปเกิดเอออตัวนี้แหะที่ไปเกิดพอกจากร่างกายไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นดวงวิญญาณไปจากดวงจิตดวงใจก็ไปเป็นดวงวิญญาณมันก็ไปด้วยกันนะดวงจิตตัวรู้ก็ไปตัวอาการของจิตก็ไปด้วย เ, ออเวทนาสัญญาสังขารมันก็ไปกับตัวรู้ด้วยเข้าใจไหม มันเป็นของที่อยู่ด้วยกันเหมือนกับตัวตัวหิ่งห้อยเนี่ยตัวหนะิ่งห้อยกับแสงหิงห้อยมันไปด้วยกันเนะจิตเป็น ว, วิญญาณนี่เหมือนกันเพรวิญญาณเป็นขั้นห้ามันมีสองวิญญาณไงวิญญาณในขันห้นญญ า, ญญากับวิญญาณที่ออกจากร่างกายไปเวลาออกจากร่างกายไปเราก็เปลี่ยนชื่อตัวตัวจิตตัวใจนี้เป็นวิญญาณไปหเหมือนเวลาเราแต่งงานแล้วก็เป็นนางไปเป็นนายไปะ แต่แเราเรเป็นเด็กก็เป็นเด็กชายเด็กหญิงเทา น, นั้นเองเปลี่ยนสถานภาพแต่ใช่ผู้รูไม่เกิดไม่เกิดครั้าเกิดดาวจะมาเกิดกันได้ยังไงเนี่ยเยที่มันเกิดเนี่ยมามีร่างกายแล้วมาสั่งให้ร่างกายทําอะไรกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆก็ตัวใจตัวใจที่มีอาการก็คือตัวจิต ด้ใช้ตัวอาการคือตัวจิตมาทำงานก็รู้ผู้รู้ปยึดจิตแล้วฮะก็หลผู้รู้ก็ผู้รู้ก็ไปไปหลงยุดจิตไปหลงติดกับจิตไปหลงติดว่าขันเป็นตัวเราของเราก็ต้องหยุดมนันไงนั่งสมาธิพอจิตสงบ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 แลาะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้ยินได้ฟังเหมือนกับเรายังไม่ได้ไปถึงที่ที่เราอยากจะไปกันเราทิ้งไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ว่าไง่ะคนทิ้งได้ก็ทิ้งได้ก็เนี่ยอยู่ที่เราอยากจะทิ้งหรือไม่อยากจะทิ้งถ้าเราอยากทิ้งก็ทิ้งได้ถ้ายังไม่อยากจะทิ้งมันก็ทิ้งไม่ได้ ตัวรู้ก็ยัง อ, อยู่แต่ไม่มี อ, ะอ่ะก็ตัวแต่จากผู้รู้แต่ว่ารู้อืตัวรู้ยังอยู่แต่ตัวแสงสว่างที่ครอบตัวผู้รู้อยู่นี่มันแตกไปดา่านี้ต้องปฏิบัติอถึงจะรู้ชัดอย่า ง, งพูดจนไปจนมันตายมันก็ยัง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 อย่างที่เราคุยเรื่องวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันกำลังตายคนเนี่ยวิญญาณมันอยู่ในขันห้าวิญญาณมันจะเอ่อมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นดวงใจได้ยังไงเขาเปลี่ยนชื่อมันท่านเองเอ่าอ่เวลาใจไม่มีร่างกายก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณอในดวงวิญญาณนั้นก็มีมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือนะ สัตวตาก็หมายว่าดวงจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยสามประเวณีเนี่ยแปลว่าสัตคำว่าสัตก็คือดวงจิตที่ยังที่ที่ไปเป็นอะไรต่างๆเขาเรียกว่าสัตว์เป็นเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอะไรนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราเรียกพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพนี้ว่าเป็นสัตว์โลก ก็ดวงจิต ด, ดวงใจเนี่แนะที่ยังหลงที่ยังมีโรคกดหลงอยู่ก็เลยทําให้มาเวียนว่ายตายเกิดมาทําบุญทําบาปกันทําบุญก็ได้เป็นเออเป็นเทพเป็นพรหมไปทําบาปก็ได้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปจนกว่าที่จะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนให้เราชําระกายวาจาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์กาารรสร้็เนี่ยวิธีแรกก็คือให้เข้าหาผู้รู้ไงให้ครบบัณฑิตอย่าไปครบคนพานคนพาน ก, ก็คือคนโง่ให้ครบคนฉลาดนคนฉลาดก็มีสองสองแบบคนฉลาดทางโลกกับคนฉลาดทางธรรมคนฉลาดทางโลกก็คือพวกครูบาอาจารย์ต่างๆคนที่เข้าเรียน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 เราท่านตายไปแ ล, แล้วเราก็ไปหาโดยการศึกษาพุทธประวัติอ่านพระธรรมคําสอนพระสูตรต่างๆที่ท่านแสดงไว้ที่จะลึกไว้ในพระไตยวิฎกเราก็จะได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะทําให้เร า, เาหมุนไปในทางที่ดีต่อไปคือไม่มีกรรมกรรมที่ไม่ดเพราะพุทธศาสนานจะสอนให้เราทําแต่บุญทําแต่ ให้ทำบุญละบาปให้ชำระเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็เป็นการยุติการสร้างพบสร้างชาติเนี่ยถ้าเราเริ่มมาปฏิบัติทานศีลภาวนา น, นี่เราก็ตัดถ้าเรายังไปหายังไม่ทำตามความอยากอ ย, กอยู่เราก็ไปต่อพบต่อชาติ ก, าตาก็การเกิดแก่เจ็บตายก็กามาทำไม่รู้จะ ไม่เนี่ยตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังกลับมาเกิดต่อถ้ายังอยากเที่ยวยังอยากดูอยากฟังยังอยากมีแฟนอยู่อยากจิตไปเกาะอารมณ์นี่เป็นนั่นแหละมันเราเราทำสมาธิเราโน้ตโฟด้วยเรื่อยถ้าจิตสงบมันก็ปล่อยวางความอยากแต่มันปล่อยวางได้ชั่วคราว ก็เป็นสัญญาที่จะหยุดความคิดที่จะไปคิดในทางความอยากก็คือตั้งสัญญาขึ้นตรงไหนก่อนที่จะไปคิดอย่างนีสร้างเป็นการเดียร์หยุดสัญญาหยุดสังขารเนี่ยแหละหยุดสัญญาหยุดสังขารพอมันมีสัญญาสังขารมันก็ไม่มีความอยากพอมันมีสังขารสัญญามันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพออยากมันก็ไปทําตามความอยาก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 อยากนมอย่างเดียวก็ได้พูดโทรอย่างเดียวก็ได้ตคำยิงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ดูให้ให้พุดเข้าโทรออกในพระไตรปิฎกไม่มีพูดเข้าโทรออกอันนี้เป the ็นเรื่องของอาจารย์บางรูปที่ท่านสอนท่านท่านได้ผลอย่างนี้ท่านก็สอนแบบนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันผิดเพียงแต่ว่ามันอมันเป็นพอดีท่านถนัดแบบนี้ท่านก็มาสอนแต่เราอาจจะไม่ถนัดแบบท่านก็ได้ราพุทธเจ้าสอนท่านก็ให้ดูลมอย่างเดียว ก็ดูไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆไปอให้รู้เฉยๆรู้แล้วอยากคิดถ้าคิดก็หยุดมันม่รอพุทโธใส่ต่อไม่ต้องไม่ต้องถ <c oughs> ้าห ย, ยุดเคลื <c oughs> มคิดได้ก็ไม่ต้องใ <c oughs> ช้พุทโธถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธแต่ถ้าถึงขนาดนั้นมันก็จะมีกําลังหยุดความคิดได้ <c oughs> พราะมีสติดูลมทั้งได้ขนาดนั้นมันก็ดูลมแล้วไม่มีความคิดก็สแสดงว่าเรามีสติหยุดความคิดพอมันจะคิดเราก็ควรจะหยุดมันได้ ก็เฉยๆให้มันอยู่เฉยๆอย่าคิดแท่นั้นเองพอรู้ว่าจะคิดจบอกก็พอรู้จะคิดปั้งมันก็ไม่คิดลนะถ้าถึงนกตอนนั้นแล้วที่จิตตั้งมั่นแล้วถ้าผมจะดูแค่การเคลื่อนของจิตไปโดยที่บังคับมันไม่ได้การดูใจหลักไหม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 ถึงจุดนั้นแล้วก็ประครับประคองให้มันอยู่อย่างนั้นไปอย่าไปดึงมันออกมาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันอะไร ย, ยังไม่ใช่เวลานั่งสมาธินั่งเพื่อให้สร้างอุเบกขาขึ้นมาสร้างความสงบขึ้นมาพอเราจะใช้ใช้อุเบกขาในการเอาไปเจริญปัญญาในการไปต่อสู้กับกิเลส ต, ต่อไปถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีกิเลสไม่มีไม่มีอุเบกขาเราจะ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 จะเตรียมสเบียงอะไรไว้ให้เยอะๆก่อนตอนมีอาวุธมีสเบียงเยอะแล้วค่อยไปทําสงครามถ้าไม่มีอาวุธมีอาวุธน้อยมีสเบียงน้อยทําไปไม่กี่ทีก็ก็แพ้เขาอยู่ดีต้องให้มันมีมากกว่าของของคู่ต่อสู้เรีย น, นต้องให้ชํานาญในสมาธิก่อนให้รวมได้ทุกเวลาที่ต้องการต้องการจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็เข้าไปได้เข้าไปแล้วก็ให้มันอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ อ น, น่นี้เราถึงช่วยเอาไปต่อสู้กับกิเลสต่อไปอนนี้สมาธิก็คือฌานนี่แหละสองวันที่แล้วอยมก็ทำตามที่อาจารยแนะนำนะคให้ทำครชั่วโมงก็คิดตัวจะทำยางไงแล้วก็ ทำนะทำสำเร็จอาจารโดนไม่ได้ลุกขึ้นมไม่ลุกขึ้นเลยยืนก็ไม่ยืนแค่เหยียดขาเล็กน้อยแล้วก็ห้องน้ําก็ไม่เข้าห้องน้ก็ไม่เข้าแค่จิบน้ำคือคือเราสนใจที่ว่าอพอเราทำนี่สองวังนะแล้วก็ตอนงคืนแมันค่ะมันสงบเร็วขึ้นไมน่ต้องไปวอร์มอัดอย่างที่ อือนะคือคือว่าอย่างที่อาจารย์ว่าเลาเนียมันมีกำลังมากขึ้นือนะฮะคือเออเออตันแรกเริ่มเนี่ยมันจะมีมันจะมีแสงสีเข้ามารบกวนมากนลยค่ะขาวทั้งเหลืองทั้งแสดเข้ามาแล้วก็รบเฉยๆยไม่จะไปว่าอะไรเขาเพราะมาเขาก็ไปมาเยี่ยมตลอดแล้วก็จะมี เจ็บขาซึ่งเออชั่วโองที่สี่ที่ห้านะคะเขาถึงจะเจ็บก็เก่งมากเลยก็ใช้พุทโธพุทโธบอกว่าเจ็บก็เจ็บไปอืแล้วแล้วขานี่ก็จะแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับชาเหมือนก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ยังรู้ว่ามันเจ็บออแต่ว่าทั้งตัวนี่ก็แบบว่ามันมันมันมีอะไรเคลื่อนเคลื่อนหมายถึงขยับนะเจ็บแหละแต่มันก็เฉยเฉยมันก็อยู่ไป เฉยของมันอย่างนั้นนช่วโมงมันรู้สึกอึดอัดทรมานไหยช่วงที่ต้องอยู่เฉยๆ6ชั่วโมงก็ไม่มากค่ะเพราะว่าก็มีอยู่บ้างมีบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องแบบต้กระโดดขึ้นแลถึงถึงกับมแล้วมันมันหายไปไหมความอึดอัดนี่มันหายหายไม่ดูค่ะก็เฉยๆทำแต่แบบบ่ายโมงถึงถึงหกโมงเอสองวันวันที่บอกว่าเช้ามันไม่ได้ไปทําไปใส่บาตเพราะว่าโยม ยอยอมช่างกันต้องพักผ่อนเพราะทกัเฉเฉยต้องนั่งเฉยเฉยต้องพักผ่อนตรงไหนไม่้ยแล้วได้ทําอะไรได้หน่อยนั่งเฉยเฉยก็พักผ่อนเฉยเฉยนี่ก็เอออก็พักทางกายแต่ไม่ได้พักทางใจอ่ะทางใจสู้ทางใจสู้อกิเลสใจนี่มันเรียบมันอบายมากแล้วนั่งเฉยเฉยแล้วนั่งเฉยเฉยมันไม่ไม่เหนื่อยตรงไหนล่ะต้องบอกต้องบอกท่านชายว่าอย่ามารบกุณฉัน บ่ายโมงหนึงหกโมงเย็นห้ามเข้าบ้านแต่บางทีนะท่านอืพี่ท่านแนะนําไปอ่ะแต่ว่านี้อยากจะถามว่าโยมต้องทําทุ่วันหรือเปล่าหรืว่าวันแต่มันดีก็ทํำไปสิถามนี้แสดงว่าถามนี่แสดงว่าไม่อยากจะทําเลยออตามอยากต้องใช้ความอดทนนั่นแหละก็ต้องการทําจนกว่ามันอยากมันมันอยากจะทําำสุดยอดเลยเอ ทำจนทั่งมันมีความสุขอย่างนี้มาตลอดชีวิตทำจนกระทั่งมันมันมีความสุขกับเกับการกระทํานึ่ะตอนี้ถ้อาจารย์ไม่ไม่ขอร้องให้ทำตอนนั้นเลยก็ไม่ทำเออนี้ทําไปแล้วนี่มันทําได้ครับมีคนมาทัดทายนี่นะที่ทานี้ถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่านี้ก็นั่งแบบไม่ขยับเลยนั่งขัดสมาธิได้ตเียมตัวนะท่านก่อนก่น ก่อนจะนั่งเนี่ยต้องเดินรอบบ้านสิบห้านาทีอ่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้เดินให้มันอ่าแล้วที่ยงกันผสมยาแก้ไอวางไว้บาขั้นต่อไปก็ไม่ต้องมีน้ําไม่ต้องมีอะไรเลยนั่งอย่างเดียวใชอนั่งสมาธิไปอะไรเข้าฌานไปเลยน่าสนใจนะออขั้นต้นก็นั่งแบบสบายๆก่อนนั่งแบบขยับเท้าขยับอะไรได้ยืนได้เข้าห้องน้ําได้เอดื่มน้ําได้อะ พอเรานั่งแบบนี้ได้แล้วขั้นต่อไปก็แบบไม่ต้องขยับเลยไม่ต้องขยับร่างกายเลยทีนี้ต้องมีสติแข็งกว่านี้หนึ่งถึงจะอยูย่นั่งได้ะตอนนี้สติยังไม่แข็งพวกเนี้ยยังยแกขยับขยื่นทาตามความอยากได้อยู่ยังอยากยืดแข้งยืดขายังยืดได้ยัง อ, อยากไม่ค่อยยืดไม่ยืดครับสองไม่ยืดดีขึ้นออแต่ว่าใช้ใช้พุทโธเพ่งลงไปเออคือว่า เอออถ้าเผื่เราทําอย่างนี้บ่อยๆนะคะหมายถึงว่าเราก็จะสร้างพลังให้เออสติมีพลังสติเนี่ยให้มีสู้ความยากได้สวิชออนอย่างนี้นะไม่จะมานั่งเออพูดโทรไปอีกอีกครึ่งชั่วโมงกว่ากินข้าวนั่งปุ๊บก็เข้าเลยนั่ปุ๊บเข้าเลยอแม่พอพอมานแบบเก่งอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้ใช้ปัญญาได้อหยุดกาแฟได้เลยทีนี้ก็หยุด ถ้าหยุกินน้ำเปล่าได้ทำไมกาแฟาจะหยุนไม่ได้ไใช่ไหมสรุปแล้วอาจารย์อบอังๆเนี่ย อ, อตั้งหชั่วโมงไปเหรอแต่ว่าคิดดูไม่ลองไม่รู้นไม่ลองก็ได้จริงที่ไม่มีนิมิดอะไรทุเรศทุเรศมาขึ้นมานะไม่มีมีก็ช่างมันมีก็ยัมีก็แสดงว่าใจเราไม่สงบใช่เงียบมากค่ะ มีแต่แงสวยๆใช่มันจะขึ้นมาแล้วก็ดูลมไปพูดโทไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มันสงบดีค่ะก็ทำต่อไปทําได้ทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีแล้วเพิ่มช่วเพิ่มเพิ่มชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีโอ้ช่วโมองนี่มันไปไม่ถึงลอนดอนเลย สิบสี่อ่ะคือพยายามฝืนความอยากไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไความอยากอย่างอื่นนี่จะมันจะเลิกง่ายเออยากกาแฟอยากดูทีวีอยากอะไรนี่มันจะล้องกลายเป็นของง่ายไปหมดเย็นเดี๋ยวนี้ว่างมากเอยไม่อยากกินอะไรเลยทีก็กินไม่ทันเลยจนหนาวเชียงแ ใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีจะให้ทางบ้างถามถามเข้ามาบ้างก็ได้มีเข้ามาอย่างวันนี้ถึงสามร้อยกว่าเหมือนเดิมอ่ะสามร้อยเกว่าอยู่ประมาณเท่านี้นะเอาดูแวก่อนพามาท่านครับอาต่อกรณีที่พูดถึงความดีกับความไม่ดีของบุคคลนะครับเอ่าก็พูดถึงความดีนี่ทําให้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 แต่ถ้าเป็นการคุยกันกับคนทั่วไปเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องที่ไม่ดีของชาวบ้านมาพูดอ่ะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าทูาพูดถ้าจะพูดพูดเรื่องความดีของเขาดีกว่าไงถ้าพูดเพื่อส่วนรวมเล้วพูดได้แบบ น, นั้นหรือเป่าถ้าต้องต้องบอกเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเสือนะเป็นตัวร้ายกาศอย่าไปเชื่อเขานะเดี๋ยวเขาจะมาะทำร้ายเราอย่างนี้นก็พูดได้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 ก็ต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสมว่าควรจะพูดไม่พูดอเงี้ยถ้าคนอื่นเขาเรื่องไม่ดีเรามาประจานกับชาวบ้านอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมแต่ถ้าก็มีเหตุมีผลว่าเราเป็นคนอย่างนี้ทำไมควรที่จะมาะครบคราสมาคมกับเราเพื่อเพื่อป้องกันเขาเงี้ยก็ถ้ามีเหตุมีผลจะพูดก็พูดได้ แบางทีความเชื่อของคนมันนิดๆน้อยๆเรากลับไปขยายความให้มันเป็นใหญ่โตขึ้นมาเพราะเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเราอยากที่จะไปอทําร้ายเขาเงี้ยแต่พูดอย่างนี้มันไม่ควรบางทีเรื่องนิดเดียวก็ไปขยายความสกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาดังโดยปกติแล้วโดยธรรมดาแล้วพูดง่ายๆคืออย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเขาดีกว่าไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วถ้าไม่มีเหตุ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 นี่หมายถึงการพูดคุยกันธรรมดาเวลาเจอกันอย่างเงี้ยเราก็พูดคุยพอไปเกี่ยวข้ อ, ของคนนั้นคนนี้ก็ต้องระวังอย่าว่ามันเปย่าไปพูดถ้ามันพูดแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายอย่าไปพูดดีกว่าแต่ถ้าพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็พูดไปอาจารย์คะแล้าการที่เราเข้าไปประท้วงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เราคิดว่าถูกต้องนี่ ถ้าในทางลูกก็ทําได้เพราะเป็นประชาธิปไตยถ้าในทางธรรมเราให้มามามาทําใจดีกว่าเราควรจะไปทางลูกทางทำดีอ่าก็แล้ว <laughs> แต่เราท <laughs> างทำก็สอนให้เราทําใจฮะนอกมันเป็นอนิจจังมันก็มีขึ้นมีลงมีดีมีชั่วยุคนี้อาจจะเป็นยุคของคนชั่วก็ได้ยุคของคนดีก็มีมันก็สลับกันไป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 ญาติโยมมาปรึกษาก็ให้ข้อปรึกษาไปให้ข้อแนะนําไปอาจจะให้ตัวพระเองนี้ออกไปถือป้ายบอกขอให้ไม่เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วแหละ <Yeah. S 1> มันมันทําไม่ถูกอะ่ะเกาว่าโดยทําได้แต่ต้องทําอยู่ในกรอบของความเป็นพระเช่นก็เน <Yeah. S 1> ี่ยญาติโยมมาก็มาถามว่าจะทํางไงดีก็บอกทําอย่างเนี้ยทำอย่างนี้ อ, อะแล้วก็ไปทํากัน แต่ไม่ใช่ตัวพระเป็นคนออกไปนําเองฮะในกรณีที่ออกไปแต่ว่าไม่ได้นําแต่ว่าเหมือนกับไปให้ไปให้สติไปอะไรนะโอ้ยแต่เวลาอยู่ในอยู่ในเวทีมวยล้วไม่ต้องไปให้สติหรอกเราไม่อยู่ใช่ไหมสติแตกดีไม่ดีคนให้สติอย่แตกซะก่อนมันไม่ใช่กิยของสงฆ์มันไม่ใช่เรื่องของพระ เรื่องของพระเป็นเรื่องของการปลงการปล่อยวางทุกอย่างปล่อยราบยศสรรเสริญปล่อยเรื่องอะไรต่างๆทางโลกมันเป็นเรื่องธรรมดามีเจริญมีเสือ่อมมีดีมีชั่วเป็นเป็นยุคเป็นสมัยของมันไปให้ปลงแล้วจะมีความสุขอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่ก็มีบางคนเขามองว่าการที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่ง ไม่มีส่วนร่วมไม่มีบทบาทตรงนี้เหมือนกับเราเห็นแก่ตัวค่ะเรานั่งดูให้พลัชชันเกิดขึ้นแล้วก็ชาติล่มสลายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เห็นแก่ตัวตรงไหนเราอยู่เฉยเยเราไม่ทำอะไรเลยอ่ก็มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่ยใช่ไหมหน้าที่ของเราคือเป็นพลเมืองดีรักษาเการลบกฎหมายจ่ายภาษีแล้วก็ทําของเราอยู่แล้วใช่ไหม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 ดั่นแหลมันก็จะดึงเข้ามาเพื่อทําอะไรกันตัวเองดีไปหมดไงพราะคนอื่นไม่ทําตามเองก็หาว่าไม่ดีไปหมดเห็นคนที่ไม่ได้ออกมาก็เห็นกับตัวกันหมดเลยคนทั้งประเทศเขาไม่ได้ออกมาก็รวบกันก็เป็นคนเห็นกัดตัวหมดพวกที่ออกมาไม่กี่หมื่นคนนี่กลายเป็นคนคนดีคนคนบีลชนไปองั้นอ่ะไม่ใช่เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองกันอ่ะ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 เรามองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันก็แค่อนิจจังได้เดี๋ยวเดียวมันเดี๋ยวมันก็หมดแล้วะไปเป็นใหญ่คันตะกี่ปีเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไปละเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาแทนที่นะคนใหม่มาแทนที่ไม่ใช่เดียวมันก็ไปอีกละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เรามาเกิดแล้วเราตายไปเราตายไปแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเพะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ มันมีการแข่งแย่งชิงดีกันมาทุกยุคทุกสมัยคาว่าทมย่อมชนะอธรรมนี้ท่านไม่ได้หมายถึงคนดีไปชนะคนไม่ดีเข้าใจไหมก็หมายถึงธรรมที่มีอยู่ในใจเราก็คือศรรีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าธรรมส่วนอธรรมก็คือความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงนี่เป็นอธ ร, รรมศีลสมาธิปัญญานี้ย่อมชนะกิเลสตัณหาเสมอไม่ว่าในยุคใดสมัยใด ยุคพระพุทธเจ้าบำเพ็ญก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้ฆ่าอาธรรมก็คือกิเลสยุคนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้ธรรมฆ่ากิเลสไม่ได้เอาเอาเอาธรรไปฆ่าคนอื่นเอาไปชนะคนอื่นอนะไรชนะกิเลสชนะความโลภความโกรธความหลงความส่วนในทางโลกเนี่อธรรมย่อมชนะธรรมเสมอแหละ คนไม่ดีย่มชนะคนดีเพราะคนไม่ดีคนไม่ดีมันมีเปิรนอ่ะคนดีไม่มีเปินนี้จะไปสู้คนไม่ดีได้ไงได้ไหมอือถ้ารู้ว่าโกรธก็หยุดมันนั่นเองยยังไงเาไไว้ไม่ทัน ก็ถ um um ้าไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้ถ้ามีเบรกก็หยุดได้ก็ต้องฝึกสร้างเบรกขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติมันเป็นสติปัญญาตโนมัติมันก็จะหยุดได้เหมือนกับมีรถที่มีเบรกดีเี้าอยากจะหยุดเทื่อไหร่ก็เหยียบปั๊บมันก็หยุดได้ถ้าเบรกไม่ดีเหยียบแล้วมันก็ยังวิ่งอยู่ก็ต้องฝึกถ้าเรียกว่าเบรกไม่ดีก็ต้องมา มาสร้างเบรกให้มันดีสร้างสติให้มันดีสร้างปัญญาให้มันดีให้มันไวให้มันไวกว่ากิเลสพอจะโกรธปั๊บมันก็รู้ละถ้ามีสติมันก็รู้อยู่ในก็ฝึกเนี่ยพุทธพุทโธพุทโธไปแล้วก็นั่งสมาธิไปแต่ต้องทําเยอะไม่ใช่แค่าทาแค่วันชั่วโมงสองชั่วโมงทําทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนนั้ถึงจะสามารถที่จะสร้างสติปัญญา ที่เรียกว่ามาหามาหาสติมาหาปัญญาขึ้นมาได้หลวงตาท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติคือไม่ต้องไคลานมันมีมันมัม น, ม, นมันทำงานกับมันตลอดเวลาของพวกเรานี้ยังเป็นปัญป ญ, ญาไขาลานอยู่สติปัญญาไขาลานอยู่เวลาที่ไม่ไยลานก็หายไปหมดก็ยากอ่ะก็มีคาละว่ามันรู้ทําวันที่ไหน <c oughs> ก็มีแต่พระเท่านั้นเนี่ยนอกจากกาลาว่าที่มีของเดิมมาเท่านั้นเองบางคนบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยทํางานก็มีสติก็ดูเขาเามีความโลภความโกรธหรือเปล่าเนี่มันพูดได้แต่ทําได้หรือเปล่าน้ถ้าทําได้ก็ไม่ต้องบวชกาลาว่าบางคนก็ไม่ต้องบวชเขาก็บรรลุได้ถ้าเขามีสติ ป, ปัญญาหัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็บรรลุได้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 จีนนีครับชอบไม่ทำงานเลยอาจารย์านี้เยอะก็เป็นธรรมดาของโลกอ่ะเขาคิดในทางโลกทุกคนก็ต้องทํางานทำมาหากินพึ่งตนเองก็เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมของของทางโลกทางธรรมก็ต้องทํางานเหมือนกันก็ต้องเดินโยกมนั่งสมาธิปฏบัติแล้วไม่ใช่มานั่งมากินมานอนเฉยเฉยที่ไหนพระอาจารย์ก็สอนให้เดินโยกมนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละ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 น่าจะพาให้เราได้ไปถึงประโยชน์อันสูงสุดได้ต่อไปถ้าเรายังไม่ได้ในชาตินี้เราก็ไปทําต่อได้ประโยชน์ทางธรรมนี่ไม่หมดเราไปกับเราได้เหมือนกับเราย้ายโรงเรียนอย่างเงี้ยเราสามารถที่ไปเรียนต่อได้เวลาเราย้ายโรงเรียนไม่ต้องไปเริ่มป .1 ใหม่นอกจากไปเรียนโรงเรียนอย่างที่เราไม่เคยเรียนเนี่ยอย่างเราที่ต้องไปเรียนป .1 สามครั้งนี้ พอเราไปย้ายโรงเรียนที่เขาไม่ได้เรียนที่เราไม่ได้เรียนมาก่อนนจากโรงเรียนไทยไปเรียนโรงเรียนจีนก็ต้องไปขึ้นเรียนป .1 ใหม่พอจากโรงเรียนจีนในโรงเรียนฝรั่งก็ต้องไปเรียนป .1 ใหม่แต่ถ้าเราทําอย่างนี้ก็เหมือนกับทางโลกอ่ะหาเงินได้กี่ร้อยล้านพันล้านตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาหาใหม่มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นอกจากว่าเราได้ทําบุญมาเราฝากเงินไว้อย่างนี้เราก็มาเบิกได้ ถ้าเราทําบุญไว้เงินที่เราทําบุญนี่เหมือนกับเงินที่เราไปฝากธนาคารพอถึงเวลาเราอยากจะเบิกเราก็มาเบิกได้แต่เวลาเราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ mm hmm. เงินที่เราทําบุญนี้ก็ยังรอเราอยู่คนเราจึงเกิดมามีฐานะการเงินการทําที่ไม่ไม่เท่ากันได้มาเกิดในครอบครัวที่มีเงินกับมาเกิดในครอบครัวที่ไม่มีเงิน เาะทางธรรมนี้เป็นของที่จะสะสมไปแล้วก็จะเต็มสมบูรณ์ในที่สุดเนียช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ว่ามีคนสอนหรือไม่มีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนก็ช้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี้ต้องเสียเวลากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ใช้เวลาสะสมบุญสะสมธรรมเป็นกับกว่าจะได้มาบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าพวกเรานี้เป็นเหมือนพวกคนโชคดีมาเกิดใน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 เป็นความสุก็ต้องมองว่าทุกทางร่างกายนี้เป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปได้เนีถ้าควบคุมบังคับได้ทุกคนก็ไม่ทุกข์กันเลยไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยกันะนี่มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้เนี่ความทุกข์ของเรามันไปเกิด เกิดที่ความอยากไปควบคุม hmm. มันอยากให้มันหายอยากให้มันดีเราก็เลยทุกถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเราก็หยุดความอยากนี้เสียอย่าไปอยากให้มันหายรักษามนไปคาว่าอยากให้มันหายหยุดความอยากให้มันหายไม่ไั้นหมายความว่าจะไม่รักษาเราก็รักษาไปดูแลไปตามตามตามที่หมอสอนหมอสั่งหายก็ดีไม่หายก็ดีให้คิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมัน อาจจะไออย่างที่ทุกเพราะว่าอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายเราก็ปล่อยไปตามเวลาเออมันจะหายก็หายมันไม่หายก็เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเวลาตายมันหายหมดะไม่ว่าจะโล่งไหนมันหายหมดเอแล้วต้องหายกันทุกคนเกิดมาพวกเรานี่เท่ากันหมดเัืงเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเท่ากันหมดอย่าไปรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเราทันเป็นอาจจะมากกว่าเขาก็เพราะเรา ทํำบาปทากรรมมามากกว่าเขาเราก็เลยต้องมาใช้กรรมของเราเท่านั้นเองดง <c oughs> นั้นก็อย่าไปทํำบาปทากรรมชาติน้ากรรมมาเกิดจะได้เจ็บน้อยหน่อยหรือถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะทุกก็ก็ยอมรับกับความเจ็บไปยอมรับว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์วิธีที่จะทําให้ใจรับได้ก็ต้องทําใจให้สงบอพยายามพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆนั่งสมาธิ <c oughs> ไปเรื่อยๆท่านั้นเอง ใจนิ่งแล้วหยุดความอยากได้แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีความทุกข์กายมันนิดเดียวเหมือนหมอจะบอกว่าจะฉีดยานี้ใจมันทุกไปก่อนนะพอฉีดจริงมันเจ็บเดี๋ยวเดียวนี่นิดเดียวเอยมันเจ็บทางกายมันนิดเดียวแต่ที่มันเจ็บมากมากก็คือเจ็บทางใจเจ็บด้วยความอยากด้วยความกลัวมันั้นอย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับมันไปต้อนรับมันไปเหมือนเพื่อนเก่าถ้าเราต้อนรับมันแล้วเราจะมีความสุข คือจ <The> ิตเราไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปต่อต้านไม่ไปรังเกียจมันยินดีมันก็เพื่อนเก่ามาหาเอยินดีอมาก็ดีอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขอย่าไปอยากให้มันหายนะอะทั้งนั้นแหละตัวนี้ตัวร้ายกาศคือตัวความอยากตัวความอยากนี่เรียกว่าสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ในอริยสัจสี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 ต้องไปฆ่าที่ความอยากถ้าอยากจะฆ่าตัวตายให้ไปฆ่าที่ความอยากฆ่าตัวตายแล้วมันก็จะไม่มันมก็จะไม่ฆ่าตัวตายให้เราทำใจสงบได้ให้พยายามพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งแค่นั้นอนะ่ะอยู่ความคิดปรุงแต่งได้แล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบเอาใจนะนะที่เมื่อวานนี่มาใช่ไหม อ่าไปดูจากที่มหาถ่ายเรียองยังเคยผ่านนะเนาะเขาเคยไปไปเรียนแล้วแต่เรียนไม่ได้จบที่บ้านพากามาก่อนอ่ก็ เ, เดี๋ยวคงต้องเริ่มกันใหม่ะะอ่าอ่าตั้งหลักใหม่ไงถ้าให้ดีก็ปฏิบัติทำดีกว่าอ่าทำใจให้สงบ เดี๋ยวกิบนาทีเดี๋ยวให้ทางบ้านเขาสองข้อสองสามข้อมีไหมคำถามจากคุณกำมลสวัสด์นั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วหลับพิทีทำงไงดีครับก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนก็ได้แก่ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ายังง่วงอยู่ก็ลองไปนั่งในป่าช้าดูนั่งในที่มันน่า ก, กลัวดูหรือแมงก็ต้องอดอาหารเรื่อลดอาหารกินให้มันน้อยๆหน่อย หลังจากคุณเบอร์นัวนั่งสมาธิเราเกิดอาการเหมือนเอ็นกระตุกแล้วหลังค่อยๆตั้งตรงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกอยู่ว่ามันค่อยๆตรงขึ้นแต่พยายามจะไม่สนใจอยู่กับลมหายใจไปแต่พอสักพักมันก็ล้มหายท้องไปเลยทั้งทั้งที่นั่งขัดสมาธิอยู่ล้มหายท้องในท่านั้นไปเลยอยากกลับสอบถามว่าเราควรค่อยประคองตัวให้กลับมาหรือควรปล่อย ให้อะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดไปครับให้มันล้มไปกันแล้วก็มานั่งใหม่กันแล้วกันเพราะบางทีมันจะหลอกเราให้มันล้มจะไปจริงๆก่อนแล้วเราค่อยลุกขึ้นมานั่งใหม่แสดงว่านั่งแบบไม่มีสติเนี่ยมันถึงจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติมันจะไม่ล้มหรอกอย่างเราคุยกันตลอดนี่นั่งมากันกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ล้มเลยไหนเพราะเรามีสติแต่พอเวลานั่งมันไม่มันไม่มีสติมันปล่อยให้ใจเคริ้มพอใจเคลิ้มแล้วมันก็ก็เกิดอาการอย่างนี้ได้เกิดอาการ ครึ่งหลับครื่องตื่นได้แล้วก็จะทำให้ล้มหงายอยากล้มล้มลงนอนได้ถ้ามีสติแ ล, ล, ล้วรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องการนั่งงั้นต้องพยายามใช้พุโทโธพุโทโธถ้าดูลมแล้วมันจะหลับก็ใช้พุโทโธลองใช้พุโทโธดูคําถามจากคุณวินหากชาตินี้พัดพากจากกันสิ่งที่ดีที่เคยล่วงเกินต่อ ก, กัน ทั้งกายวาจาใจเราจะเอาโหสิกรรมต่อกันได้ไหมคะถ้าใจพร้อมเอโหสิกรรมต่อกันทั้งสองฝ่ายจะทําให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันไหมคะ้าทําในขณะที่อยู่ด้วยการพบกันอยู่ก็การทำแล้วต่างฝ่ายต่างอาโหสิก็ถือว่าจบกันไม่จองเวรจองกรรมกันถ้าไปทําตอนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้ากันไปทําลับหลังบอกเล่าโหสิให้เธอขอให้เธอเอาโหสิให้ฉันเขาไม่รู้เรื่องเ้าถ้าเขายังโกรธอยู่เขาก็ยังโกรธอยู่ คำถามจากคุณพรเทพอ๋อโอกาสหลวงพ่อครับสัมมาทิฏฐิมีลักษณะอย่างไรครับความเห็นชอบไงความเห็นว่ า, าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากการดับความทุกข์การหยุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการหยุดความอยากต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ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 เสกอยู่นอกจากเวลาตายเวลาตายถ้าทําพินัยกรรมมอบให้กับใครก็ยังสามารถทําได้ถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมเวลาตายก็ถือว่าเป็นของของของวัดไปของสงฆ์ไปดังนั้นก็ยังถือว่าเป็นเป็นเงินทองของคนที่มาบวชอยู่เวลาตายเวลาเสกไปยาเาเงินทองนี้ไปก็ไม่มีความผิดตรงไหนแต่ถ้าอยากจะทําบุญก็อย่าเอาไปไว้จากถวายวัดไป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 ก็ขาบวชให้ขอบวชเมื่าไหร่เขาก็จัดวันบวชให้เลยแต่ถ้าไปบวชวัดเฉพาะวัดปฏิบัติเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเข้มงวดกฎเขณฑในเรื่อง ก, การเลือกคนเข้ามาเขาก็บางทีไม่แน่ใจก็ให้ลองอยู่ปเป็นคารวาสผมเขาไปก่อนเป็นผ้าขาวไปก่อ น, น, อนแล้วก็ศึกษาไปปฏิบัติไปแล้วระหว่างนั้นก็จะเป็นการดูแลเติม ครบาอาจารย์ก็จะได้ดูว่าอามีความพร้อมหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมท่านก็ยังไม่ให้บวชถ้าพร้อมแล้วท่านก็จะให้บวชคําถามจากคุณกูเป้พอนั่งสมาธิไประยะหนึ่งจนจิตนิ่งเงียบไม่มีความว่างแล้วต่อไปต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะก็ให้นั่งไปงั้นนานๆไม่ต้องทําอะไรถ้ามัน ความจริงถ้ามันเป็นความสงบจริงๆมันไม่อยากจะลุกอะพรามันมีความสุขมากถ้ายังไม่มีความสุขมันก็ยังถามมันจะให้ทำไงต่อไปแสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วมันไม่ถามหรอมันอยากจะให้มันสงบไปนานๆอ๋อ เ, เหมือนได้ขึ้นสวรรค์นี้เหมือนได้เข้าห้องปรับอากาศนี้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 อย่าฟุ้งขึ้นมาแล้วจะไม่สงบแล้วแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดมันได้ให้มันเฉยได้ถ้าเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิเรายังมีน้อยอยู่งนั้นควรจะนั่งสมาธิให้มากๆให้นานๆไปก่อนออาสุดท้ายนะสี่โมงแนละ้ว